นี่ก่อนดังเชื่ว่าเรารักษาจิตของเราในทางดีใจของเราเหมืองความดีที่เราได้ทํามาใจนั้นก่อนยืนแย่แจ่มใสใจนันก่อนสุขสบายพอมีความดีในใจแต่เมื่อคิดไปวันเวลาผ่านไปเช้าก็ดีสายก็ดีเยียงบ่ายก็ดีจนเย็นจนตลอดเที่ก็ดีไม่มีอะไร ซึ่งเป็นของดีของมีคนณค่ามีใจี่เหลสตัณหาทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาจะให้มันเย็นมันสุขมันสบายจากที่ไหนเพราะเอาไฟมาเผาตัวท่านจึงให้พยายามความดีที่ยังมีพยายามให้มันเกิดมันมีขึ้นละลึกเอากระทาเอาคุณความดีของเราไม่ใช่คนอื่นจะมาทําให้พระพุทธเจ้าก็เป็นเชี่ยวฝีสอน ผู้บอกทางให้ผู้เดินก็คือเราถ้าเราไม่เดินแบบทางนี้ไปนั่นนทางนั้นไปนั่นนะถ้าเราไม่เดินไปที่ไหนมันจะถึงจุดหมายปลายทางให้ท่านบอกให้เรากจแต่ตงไปเราชอบทางเส้นไหนเราตองไปเส้นนั้นและไปตามจุดที่ท่านบอกไาจุดนี้ไปถูง มาสูกผลตุดนี้ไปสู่นรกอะไรที่อย่าไปที่บอกว่าไม่ดีอย่าฝ่าฝืนเดินไปตามอย่ในความชอบของตัวภาวนาประทานคือการทำจิตทำใจทำคุณงามความดีต่างๆที่ได้ไม่มีให้เกิดให้มีขึ้นีิที่ไม่เคย บริสุท์ด่างถ้อยต่างๆพยายามรักษาให้สิ ck, ้นตรงตรงบริสุทธิ์สุขคลองไม่ได้ทโดยอำเภอใจไม่ได้ทำไป้วยความสบเข่าหาดสติจะมาที่ความกงี่ยงของใจเคยหอกแกล้งกังวนกับอารมณ์พันยาต่างๆมามาหักห้ามไม่ให้ จิตใจไปจิขตขางกับอารมณ์สัญญาเล็ดปัญหาหนัง่งนั้นมีความยากแน่ที่ต้องอนี่คือสมาธิสมาธิของการภาวนานเน่เป็นอีก อ, อันหนึ่งคือจิตใจที่เคยใฝ่ฝันคเคยหลงไหล ไปตามทันจาอารอันนั้นเราหักห้ามเอาไว้พยายามอบรมใจท่องตนคนที่บริกรรมตัวหนึ่งตัางหน้าบริกรรมคนที่พิจารณาตัวต่างหน้าพิจารณาจิตใจมาทั้งเวลาเราพิจารณาในต่างๆมันไม่อยากจะลั่นไหลออกไปสู่อารมณ์อันใหม่ แต่พิจัยนาแล้วเท่าไรมันก็มีก็อยู่ในขอบเขตให้มีแต่ลวไหลออกไปถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นโมลิ ร, รมเพื่อจะหักห้ามมัน <c oughs> แต่เมื่อโมลิคมใจิตใจมันสงบมันเย็กเย็นมันสะดวกสบายอยู่แล้วไม่ต้องโมลรรมมันก็อยู่ในขอบเขตท้องอาจท้องทามก็เห็นพิจัยนะพิจัยนาวายรัตหลังกายต่างๆ ตามความเป็นจริงเข้ามาพิจาราถาดถันให้รู้เห็นให้เข้าใจเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้นจิตใจมันเกิดปัญญาเกิดวิชาต่างๆขึ้นเพื่อริี่เราเคยสงสัยหายไปตกไปใจมันไม่ออกไปนอกใจมันอยู่ในอาดในธรรมใจมันเห็นจริง ในสิ่งต่างๆตามเป็นทิ่งพ้กมันนี่คือวาลลิศเป็นนางการนางสมัยมันชอบทิจารณาใจมันถึงแขวะฝุ่นแขวะสบายเหนื่อยมั้งเรามาพิจารณาใจมันมาอยู่ใจมันวุ่นวุ่นเพอจะทิจารณาเนี้มันหลายอยางนั้นของแห่บริกรรมมันเปลี่ยนกันได้ทั้งใจเงียวเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแต่ทาให้เป็นช้ะทําให้เป็นประโยชน์ อย่าให้มันเกิดโทษเกิดทุกข์กแก่ตัวนี่คือปัญญาฝึ่สอนจิตสอนใจของตนจิตมันสงบเป็นคณิกอะอุปจาระอปนาก็ให้ช้าเรื่องของมันมันสงบลงไปชั่วระยะสั้นๆทางสาหรับตัณหาต่อยอะกว่าคณิกะมันสงบลงไปหรอถอนออกมารู้สิ่งต่างๆ คือออกเชี่ยวอุปจาระคือการเที่ยวห้องจิตแต่เที่ยวอยู่ในวงห้องอักข้องทำไม่ไดเที่ยวไปนอกขอบเขตมันไม่จมในจิตในจิตแต่ในอารมณ์ขันนอกทำเรียกว่าอุปจาระอปนาลงถึงที่ของมันในถอดถอนขึ้นง่ายง่ายจะไ ม, ม่นึกคิดพิจารณาอะไรมันพิจารณาไม่ได้ พอมันลงถึงที่เั้นการกำลับสมิด <c oughs> มันไมนมีการฝันที่มันฝันมันอยู่ยขึ้นหลับขึ้นตื่นอย่เดียวแบอุปจาระที่มันเคิ่มไปนิดนิดหน่อยแล้วก็เติมขึ้นเรียกว่าคาณิกะท่าเกียว ก, กับการหลับการนอนนี่เป็นเรื่องของสามาธิปัญญาสอบสองที่ไม่พิจารณา ให้รู้ให้ผ่อนใจมันมีพื้นของสมาธิอยู่จิตแต่เพียงอย่งของสมาธินั้นก่อไม่ทราบอย่างกิเลสปัญหาหน้าไหนมันจะเกิดเป็นขึ้นอีกอย่างไรมันจะต้องมีความทสงสัหรือบางทีสมาธินั้นพอเข้าไปเข้าไปเข้าในได้มันก็เกิดโลกโกหลงขึ้นมานั่นเลมีอะไรที่จะแก้ไขจิตใจให้หายจาก อวิชชาตันหาได้พอมันมีความพสงกเป็นพื้นทันถึงไหนพิณิพเจนะเรื่องต่างๆหายใจมันรู้ใจมันเห็นตามเป็นจริงไมจริงอย่างนั้นมัจะได้แก้ไขตัวพวกมันเองนี่คือหย่งปัญญาทุกอย่างที่เคยเกิดจนเคยเห็นเคยรู้ ยังความดีของใจเกิดขึ้นจากภาวนาคือการจะทำมํมเพนทงตนให้รักษาเอาไว้อย่าไปให้มันเสียมันเสื่อมมันหายไปเรียกว่าอนุรักษนาประทานหีือเรียกว่าประทานความเพียรเมื่อสังวรในความชั่วมาเกี่ยวข้องการละาาใจใจทงตน ทำลาใจที่ชั่วที่เสียให้หมดออกไปทําความดีที่ยังไม่เกิดไม่มีให้เกิดขึ้นรักรษาความดีที่ตนรู้เต็นเห็นเอาไว้ในความดีเสียไปฉันจริอยู่ว่าประทานความเพียรถ้าหากไม่มีจะที่รักรษาในพิจารณาอะไรก่อนมันไหลไปตามสัญญาเารมความชื่วมันจะไหลเขมาทุกการทุกเวลากว่าตาม ตัวไหคิดหักห่างเอาไว้มันจะเกิดมีถมจิตถมใจขนาดไหนไตัวไหนตั้งใจทำละจะมีความภาคความเพียรขนาดไหนจะเดินจงกรมตัวดีนั่งเพาะวานาตัวดีแต่ไปคิดไปจึงหาความชั่วแสวงหาความชั่วนั่งหาความชั่วมนมเลยเลวกว่าความเพียรทางพระพุท ธ, ธาศาสนาความเพียรของทางพุทธศาสนา ทำเพียงไหนสั่งละชั่วออกจากใจระวังชั่วทั่วไปเนี่ยมะโย่ข้อทําความดีของใจให้เกิดให้มีขึ้นความดีที่มีอยู่แล้วพยายามรักษาไว้ความดีใหม่ยังไม่ได้เลยถึงพยายามแสวงหาทำมาเกิดจิตใจของตนมีเว่าความเพียงสิพระพุทธเจ้าแม่สอน ในใจความเพียรเหล่านี้ม่อยู่ที่ไหนวัดวาอาวาสก็ไม่ใช่ผู้มีความเพียรส่วนนี้ท่านเหว๋อก็ไม่ใช่ผู้มีความเพียรส่วนนี้ต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็ไม่ใช่ความเพียรส่วนนี้ความเพียรส่วนนี้มันอยู่ที่กายที่ใจของเราเราจึงมีโอกาสเวลาพี่จะเลนาได้ดระ ย, ยะเวลาปัจจุบันติดของเรา มันใยฝันมันติดขวางกับอารมณ์อะไรตรวจตาที่แจนะด้เยื่อไปกําหนดเข้ามาอย่าปล่อยให้มันไหลออกไปข้างนอกคนมันเราอย่างนั้นสุ่มมันจงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆจิตมันก็จะเห็นจะเย็นจะสบายให้ไม่อย่างนั้นมีวันมีเวลาเป็นธาตุเป็นเงินก็มีแตชื่อ ไหนนี้คุณมาทำอะไรไประจําตัวเหน่วมันเป็นอย่างนั้นนั่นก็ในนี้อะไรที่แกแแกต่างกันกันกบคาราว่ากับสัตว์เพราะสัตเหล่านั้นมันก็เหมือนกันกันกนกบเรามีการหลักการนอนการกินการถ่ายการเผื่อการเพลินในยุงพิเดปัญหาต่างๆนานานี้เหมือนกันเราไม่ละอายตัวของตัวหรือ ที่เขาให้ชื่อว่าเป็นพระเป็นเมน ين, เป็นกรรมฐานเป็นนั ก, กปฏิบัติแต่จิตใจไหลไปในอารมณ์ทัญญาต่า ง, างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องขัถื่อนน่ะเขาเป็นเราเป็นพระเป็นเมนรุมันเป็นอย่างนั้นนั่นก็หน้าอับอายพราะเพียรไเเสดเพียรยิเศษโลกสน ม, มุดให้ เขากราบเขาไ่ว้เขาสักการบูชาเขาเหนื่อยมาไหว้กองสี่หมาพระเฉีวพลาเสียนะเขาไหว้จนที่บีอาจมีธรรมเขาเถือแบบประเภทดีแต่ที่บัดดีเป็นที่พึ่งของจิตของใจเ ข, า, จขาได้เขาทําบุญเพื่อทานอะไรเขาก็ต้องการความสุขกายสุขใจทของเขาแต่เรามมีคุณงามความดีอะไร ไม่อับอายท้ายหน้าหรือเหมือนกันกับหาเลือดจากปูหาเท่าไรนั่นก็ไม่ได้เพราะปูไม่มีเลือดท้าน้นถึม่มีสีไมีธรรมไม่มีคุณงามความดีอะไรใครจะได้ทําบุญ้นทานนั้นก็ไม่เกิดผลมือเกิดประโยช น, น์ให้เราสอนใจของเราวย่างเดียวจนค น, นเชื่อคนเชียวอย่างนี้นเป็นยาม น, น, นั่งตั้ง มีอยู่ห้มนโตออกไปความเจ้าหม่ยังไหลประมาณห้าก้านร้อยเมื่เรามีปัจจุบันยาสอนใจชนะศาสาร์อยู่ทุกการทุกสมัยแตใจดรวเพื่อปฏิบัติเป็นคนจะมีอยู่ตายคนจะมีอยู่าินี้เป็นชาตของเราเราจะยอมตัวตายอีต่อไปจะตั้งใจด้เพื่อปฏิพ่อพ้นทุกข์ แย่าง่าเป็นเชคิดอย่างนั้นตัณใจเด็อดขาดอย่างนั้นทํามเพียมันจะทํางมีในจิตในใจของตนนี่มันไม่อย่างนะอยู่ไปพอหมดวันหมดเดือนหมดปีมันจะดีไปเื่ออย่างไรแต่คำ น, นึงคํานวณฮะใจใจมันเป็นม้าเป็นบอยอยู่ตลอดเวลาหาความสงบถึกไม่ได้แต <c oughs> ่ก็ฝึกกันคือกัน ทั้งันทั้งคืได้ถ้าไปทาการงานออื่นไปเล่นไปเพลินทำได้ใจจะมาสงบหยุดสงบใจท้างตนทาไมมันหนุนฟัฉลาดมัมีความอดทนเอาเลยมันคนดีหรือบ้าแบบนี้ก็ต้องดูนาเลียนปีตัวของตัวเองไม่ต้องต้องให้คนอื่นรักษาให้เพราใจพวกเราเ็นสมบัติของเราถ้าเราชั่วเราเสียเรานั่นเองเนี่ยเป็น ต้นต่อของวามทุกเราไปพูดไปคูยกับคนอื่นคนอื Then, ่นที่รู้จักหน้า่างตาอยากจะเดินจงกรมภาวนาเขาไปมาเลยไปเพราะเราได้ขัดขวางเอาไว้ส่วนเขาคุยอย่างนั้นชวนเขาคุยอย่างนี้แล้วคนจิตใจหน้าจางตาจะทําวามผาดความเพียน กัวขัดข้องนอกนั้นก็ส่งเสียงหยวกนั้นให้จ้คนอื่นอยู่ใกล้เคียงได้รับความไม่สงบสงัดไปตามผลที่สุดบาปกรรมมันเกิดขึ้นใหญ่โตไม่ใช่ว่าจะมีแต่เจ้ตัวของตัวเท่านั้นปัจจุบันเท่านั้นอดีตอนาคตขครก็่างนั้นก็จะได้รับเพราะเหตุใดเพราะเราในต่างใจไปพูดปฏิบัไปทา ความเอือกกระโลกเชี่ยวาญในที่สงบส ง, งัดแต่ขัดขวางในทูที่จ ะ, ป, ะปฏิบัติดีชอบเราต้องคิพิเจนานมในอย่างนั้นมันจะเสียพระเสียเนมเสียวัดเสียวาเสียครูเสียอายจารย์ไปเพราะตัวองค์ตัวชั่วเพียงคนเดียวเน่าทั่วไปทั้งวัดทั้งประเทศมัน่วิจิเจานามันรักษาการ ป, รปฏิบัติภาวนา ราจีเรศพระพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมะของพระ อ, องค์เป็นอากาลิบก็คือมีการมีเวลาจะในพรรษาหนกพรรษาเช้าสายเชียงวายเย็นไม่ว่าถ้าภาวนาสมราจิเลสจิตใจของคนนั้นจะมีความมีเสถียความสงบสุขจะในพรรษาหนกพรรษาแต่ถ้าว่าไม่ทำภาวนาไม่ราจิเลศ สะสมกิเลสคนนั้นจะเป็นทุกข์คนนั้นจะเดือดร้อนไม่ว่านึงว่าแกว่าคารวะบันทึกเหมือนกันหมดจงตั้งหน้าสอนตนพอโอกาสเวลาเ <c oughs> ข้าพรรษามานี้ก็วนวันเต็มที่จะออกพรรษาไย้งอีกไม่กี่วันมันก็ออกตรงนั้นออกพรรษาไปกิเลสมันออกจากใจหรือไม่ ตัวตาที่เจน่าดูเขาปัญหามานี้เขาทำอะไรทานาเขายังเดืเจ็บอย่เกลียดผมของเขาเราภาวนายังไงเกลียมอะไรมีแต่ชี้เลยถ่วงทับจิตใจไม่ละอายหรือจะเอาอะไรเป็นความดีอย่ายยนท่วงใจต่อไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตัวตาที่เจน่าดูสิจะปล่อยใหันไหลไปทําไมทางผิห้าม ทมบอกไม่สอนทําไมมันฉลาดหยุดคุยกันเรโลกหมดวันหมดคืนก็น่้จะหาปัญญาสอนใจขับไล่กิเลสมันไม่มีมันไม่น่าอับหน้าอายหรือตรวจตาที่เยนาภายในดูเจ้าของตัวอย่าไปดูความชั่วของคนอื่นความดีของคนอื่นความชั่วของคนอื่นเป็นหน้าที่ของเขาจะได้ละความดีของคนอื่น จะเป็นความดีของท่านมันไม่มีอะไรจะมามีแก่เราไม่มีอะไรจะมาชั่วแก่เราสําหรับคนอื่นดูตัวคงตัวเถ่านั้นทํา้ายใจคงตัวเถ่านั้นเราชั่วคนเราเองจะได้รับผลความชั่วความเสียดือดร้อนแผบเผาเรามีแต่เราเองจะเป็นผูได้รับความเย็นเย็นสงบสุขไม่ใช่คนอื่นจะมาแย่งชิงเอาไปได้ พยายามดูใจของตัวถ้าใครมันที่นี้พี่ใจมารักษาใจของตัวละชื่วมั่เพิ่ดีอย่างนั้นคนผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญไม่ว่าฝ่ายโลกหรือฝ่ายธรรมจะไม่อดยาแากจนจะไม่เป็นคนเดือดร้อนยิ่งวายเพราะดูจากหน้าที่ของตัวเพราะเป็นเองเห็น ความดีของตนจริงอยู่ในตงในอย่างนั้นวันเดืนเดือนปี่ผ่านไปจิงชีวิตของเราไปจิงชีวิตของเราไปนานเท่าภรรษาก็มากขึ้นมากขึ้นเยอะเขาก็คิว่าอาจารย์แต่อาจารย์ไม่มีไม่อาจมีทําอะไร อาจารย์ที่เหว่ยตัญหาก็ามาเหว่ยงว่าอาจารย์นะหมามันโหวยงทันกันอยู่ตามหมูบ้านตามทองผึ่งเขาไม่ใช่ไปกราบไปไหว้อาจารย์หมาแบบนั้นหรืเป็นอาจารย์พระอาจารย์เลน εν. อาจารย์รูเห็นในอกในธรรมตรวจตาที่เจริญนาดูมาอย่างนั้นจงมีทางสําระจิตใจคงตัวถิ่วเฉื่อยพยอย่ออาง คือไม่ได้นนจนะถูกรักษากจิตใจหน้าขี่ของฟ้าของเนไม่ีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็หามาให้สะดวกมากสบายมากอย่าไป อ, อยากสิ่งที่เขาพูดไเจ้าหน่อสอนอยากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอย่าไปเห็นอย่าคิดเทื่ยวหนตาหน่หนเป็นนี่ยนของที่มีรสหวานมี ยัคงคงอยู่เพิ่งดีกว่าอาจากว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคนที่หลงอย่างนั้นแหละมันตายกันไปอยู่ทั่วหน้าตายจากอาจจากธรรมใจตายจากความสุขความสบายภายในเพราะใจไนที่นี่พีนาที่ทั่วที่เหลปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรก็ ค, คอยใจว่ามันจะสุขจะสบายจดีจะยิ่งเศษหลงตาที่มันนี่น พี่เจนะเห็นเบือจุดเหบืนอนิดนิดหน่อยๆก็เห็นเจเบือนั้นนะั้เราไปสร้าบควาเบ็ดมันฝังอยู่ข้างในเจเกาะเอาปากอาพุงให้ตายมันจึงตายไปแบบนั้นพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติเป็นพระกรรมฐานก็เหมือนกันจงระวังรักษาพี่เนจนาปักธรรมไม่อย่างนั้นมันจะเป็นพระกรรมฐานใจชื่อ ในนี้อาจมีทำอะไรถูดคุยกันหลั่นวัดหลั่นวาเฮฮาอยู่ตลอดขอวัดปฏิบัติอะไรไม่เคยเอาใจใส่ไม่เคยตั้งใจจะททำบาเพ็ญมันหนักศาสนาหนักวัดดักหนั ก, กวาม่เหยียบย่งศีลศาพุตเจ้าและครูอาจารย์คนที่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาภาวานาอย่างนั้นไม่ตั้งหน้าตั้งตา รักษาธรรมมีในทั้งตนมันไม่เกิดผลอะไรนอกจากตัวของตัวเดือดร้อนคนอื่นก็ยังได้รับความหักใจตรงทีนี้พิจารนาต้องศึกษาไม่ใช่หรอดูดาว่าก่าวอยากจะให้ดีมีความสุขถ้าหากตังหน้าตางจาศึกษาเพื่อปฏิบัติตามธรรมะถึงคู่ถึงอาจารย์ ผู้แม่ผู้สอนไม่เด็กแบ่งเอาความดีอะไรจากเราท่านก็มีความสุขใจเหมือนกันกับลูกทุกคนมีความสุขความสบายต่างหน้าต่างตาทำการทา ง, งานมีอย่างมีจนิงพอเนี่ยสุขพอวแม่ยสมาทั้นทั้งสี่ท่านต้องการอะไรจากลูกอีกแต่ก็มีความสุขความสบายถ้าลูกไม่เอาทานอะไรใม่ตั้งใจตัวพึ ทำการทำงานทางดีนี่จะเล่นอาบายามุกต่างๆเขาจับเอาได้ก็อเดือดร้อนมาถึงพอถึงแมนะของเขามีการกปรเ่ะทอปาฏิบัติตามธรรมในในกับทำนองเดียวกันค่ะสิทิุิั่วไปต่างใจปารนนกัทำนองเดียวกันิทธนิททั่วไปต่งใจปฏิบัติารรมในในับอัคิอาจารย์ในนกัมนเีควกมะสุขความสบาย อยากพักผ่อเพลินสูงใครมาจากคิดใดทางไใดมาต่าัณหาตัณ迦อยากจะมาศึกษาอยากจะประเพื่อปฏิบัติท่านก็ยินดีรับพอรับแล้วมันตัณหาตัณ迦ศึกษาตัางหาตัณาปฏิบัติถ้าหากลูกศิลปลูกหาโมคณะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเบาแหว่งกันในต่ตัณหาตัณา เพราะว่ า, าทำความดีรับแล้วมันหนักจิดหนักใจคนใหม่เข้ามามันก็คงจะเป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่อยากจะรับแต่แน่จะสอนให้ผล ท, ที่สุดมันตัดสะพานตัวเองไม่มีใครชอบใครยินดีเนอะตัวองตัวผึ่งตัวใหม่ได้ครูอาจารย์ครูที่ท่านแน่สอนท่านตัดหางปล่อยแล้ว มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีความสุขความปล่อยเสดไหมให้สอนใจของตัวอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นคือว่านาทีอะไรไม่มีทั้งคืนทั้งวันแต่บางอยู่บางท่านแต่ ล, บตลอบวันตลอดคืนก็ไม่เห็นทำความผ่าความเพียนอะไรในข่าวว่ามันมันอยู่แบบไหนอยู่ได้แต่ไม่ใช่อยู่ เพื่อความสูกความสบายอยู่หาทางจะตายจะออกเหมือนกันกับคนไข่หนะักมีแต่ลมหายใจเท่านั้นจะไปที่ไหนไปไม่ได้เอาอยู่อาอยาอะไรใส่มันก็ไม่เป็นอยู่เป็นยาให้แลัวจวาเรามีดิเศษแพทย์หมอถูกไป รักษาโลกภัยเราไม่หายครูอาจารย์ทั่วไปสอนขนาดไหนเราก็จะอยู่อย่างนี้ทาอย่างนี้ไม่ทคุำงานความดีอะไรเราจะเป็นคนพิเศษไปเสริฐในแบบนั้นมันใชยไม่ได้ถ้าหมอไม่รักษาครูอาจารย์อไม่สอนนั่นก็เป็นคนดีไปไม่ได้คนไข้แบบนั้นมันก็หาแต่จะลงมาไว้จะใส่มันเท่านั้นมันหนึ่วันที่จะหาย เราดีวิสเศษเพราะยาทุกอย่างสื่อโลกของเราไม่ได้คำสอนทุกอย่างที่ครู อ, อาจารย์สอนสู่ที่เดืดตัดหาเราไม่ได้เราอย่าไปคิดว่าเราดีวิสเศษอย่างนั้นแต่ไปคิดแบบนั้นนันงตายให้เชื่ออาจเชื่อธรรมต่างหน้าต่างต า, งต า, งตามีตสติปัญญาเนี่ยสอนตัวปลุกตัวให้ตืน่นอย่าให้หลับ มีคือการประพฤติปฏิบัติการฝึกหักภาวนาถ้าหากไม่ทำอย่างนี้ไม่มีโอกาสเวลาอยู่สถานที่นี้ก็ไม่ดีไปสถานที่ใหม่ก็ไม่ดีทั่วประเทศไทยทั่วโลกมีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรดี <S S <Okay. S 1> ราะไปที่ไหนก็ใช้แบบเก่าแผนเก่าอยากคิดอะไรอยากฝูดอะไรอยากทำอะไรก็ปล่อยมันไป เหมือนนุ่งทีงมันลอยอยู่บนอากาศลมมาทิตใดทางใดก็ไหลไปว่อนไปตามวมนั่นนั้นมันจะไม่มีอะไรดีวิเศษให้เราต้องสอนใจของเราเราเท่า น, นั้นที่จะทำให้ตัวของเราดีได้ไม่ใช่คนอื่นไปสถานที่ใดที่จะสงบเงียบขนาดไหนมันก็มีพักผ่วนเืน่อนถึงเป็นพันพัน พออารมณ์ทองใจเราไม่ได้สำลัสสาสารคู่ที่ฉลาดมีอาจมีทรอรยู่กับพรรคพวกเป็นทันก็เหมือนทันอดยู่คนเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อันอื่นดูแต่จิตตจใจสัมผัสกับอาจกับทมอะไรอยู่เรื่อยๆสำลักสิ่งที่ชั่วออกไปจากใจ ที่จริงนะอาจทาอยู่ทุกการทุกสมัยนั่นคือผู้ภาวานาละกิเลสอย่าเป็นผู้วิเศษอยากเป็นผู้สงบเราต้องทำอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะไม่มีวันมีเวลาเป็นพระเป็นเนียนได้พระทางใจจะต้องมีอากมีธรรมไม่เหมือนพระสมมุติพระแบบนี้มันบวดกันวันละกี่ ร้อยกี่พันมันก็ได้แต่พาทางใจต้องอาศัยความขาดความเพียรอาศัยสติปัญญาไม่อย่างนั้นเป็น้าเป็นเนนขึ้นไม่ได้ถ้า ม, มีผ้าทางใจจะอาศัยแต่พาลิ้งเหลืองแ่านี้อย่าไปคิดว่ามันจะส่องกันอบายภูมิได้มันสามารถที่จะไปนรกไปเกิดเป็นเตเป็น สูร่างกายสติละฉันได้อย่างสะดวกสบายมันไม่จิดไม่คล่องอะไรผ่าเหลืองอันนี้เพราะจิตมันชั่วใจมันเสียมันมีอาจมีธรรมประจําตัวมันจบไปได้ถ้าเป็นมีพระในใจเหรอเขาไม่เห็นเขาไปเหมือนห่องขังตะรางเขาปิดกุญแจเอาไว้มียามประตูรักษาใน เขาไปได้ง่ายเขาไปเกิดจะต้องขออนุญาตเขาเขาไปเมื่อเขาไปกบฏเขากบฏเอาไปทำพิธันท์ปวดอะไรเหมือนพระหมูกคณะหรือพระที่ทนา์ไปปวดสัตว์นรกแต่ต้องขออนุญาตเขาเขาไปในห้องถังตารางเขาทานองเดียวกันเขาปิดเข้าก้านเอาไว้ ทำไมอยากให้คนเข้าไปแต่มันก็ทำเชั่วทำเสียมันเปิดอ้าอยู่ตลอดเตลา่าถึงจิตตังนี้มีกุญแจเปิดออกได้หนึ่งจิตใจพวกเราถูกเาทำนองเดียวกันห้ามกั้นเอาไว้เรื่องชั่อเรื่องเสียอย่ากให้มันไหลไปตอนเบื่อเปิดอ้าวเอาไว้ตั่งใจภาวานาละกิเลสจะเห็นความสุขความสบาย ในอย่างนั้นเหมนมีวันมีเวลาจะเป็นพระเป็นเนรที่พระพุทธเจ้ า, จารับรองให้สาวกาสังโคหมาหยถึงสู่ประพฤติ ด, ดีปฏิบตัติต ong ปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในอัตในธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุพทธเจ้าเห็นขยันว่าสาวกของพระองค์ถ้าหากยังลืมหลบ ม, มือ บ, บอดอยู่อย่างพวกเรา จะมีผ่าเหลืองมากขนาดไหนเป็นห่องกติท่านก็ไม่ถือว่าเป็นสาวกสุปฏิปโนโอุสุยายาสาณิจินั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าผ่าเห ล, ลืองหัวโล้ น, ลนเป็นสาวกหมายถึงจิตถึงใจที่มีอาจมีธรรมประพฤติไปเพื่อความมีความเด่นสำนัก กิเลสปัญหามาหน้าคิดคิดให้ตกออกไปจากกายจากใจ่ันตจึงถือว่าเป็นสาวกคนที่มีที่เลสตัณหาหนาเนี่ยอย่างพวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้จงจําเอาไว้นําไปใส่คิดสอนกายสอนจิตของตนหน่อทุกคนได้สดับรับฟังอัดษฐานกีเลสอธิบายมา จงต่างนาต่างตาสำหรัชั่วบเท็ยดีต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้